นั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พุทะวัจจนะประเด็นที่อยากจะคุยกับคุณหมอเรื่องของ การที่คุณหมอให้ไปทำธุระเรื่องการส่งเอกสารที่จะไปอินเดียนะคะคก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้คนเราเนี่ยไปอินเดียกันเยอะลูกโนเะในแต่ละปีเนี่ยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนแล้วไม่ว่าจะคนไทยหรือชาวต่างประเทศต่างก็ไปอินเดียเพื่อไปกราบนมัส ก, การสังเวชนิยสถานสี่ตำบลกันเรียกว่าหนาตามาก ถ้าคุณหมอไปเนี่ยก็จะเจอชาวพุทธจากทั่วโลกเลยปรึกรับว่าอยู่ตลอดเวลานี่ก็มีกระแสหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันจากคุณหมอซึ่งไม่ทราบว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะคะจะได้ยินข่าวมาบ้างแล้วหรือเปล่าแต่กระแสตรงนี้น่าคิดอะคะ่ะจะจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรนะคะแต่น่าคิดว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมหนอห้อนะคะ ก็คือที่เราไปกราบไหว้สังเวชนียสถานสี่ต้บบนบุที่อินเดียมามากันเนิน่นนานมากๆเนี่ยนะคะมีกระแสะหนึ่งเขาบอกว่าอุ้ยที่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนอินเดียหรอกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดที่อินเดียแล้วก็ไม่ได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพานที่อินเดียอีกตั้งหาแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นคนไทยแล้วก็ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพาน ที่เมืองไทยเรานี้นี่เองนะคะโดยมีการอ้างอิงเลยนะคะว่าประสูนย์ที่จังหวัดเลยตรงไหนตัดสรู้ที่ตรงไหนจังหวัดอะไรพระเนิพานเนี่ยรู้สึกจะเป็นพระแท่นดงรังแถวกาญจนบุรีอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็พระเจ้าอโศกมหาราชในประวัติศาสตร์นั้นน่ะที่จริงก็ไม่ใช่ที่ไหนเลยแต่ที่ทางใต้ของไทยเรานี้นี่เองนะคะก็วากันไปแล้วก็มีหลักฐาน ยืนยันอีกนะคะว่าไม่เชื่อเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ซึ่งมีชื่อว่า b u d d h a b i r ร์ดเพรส dot com ได้เลยอีกตั้งหานะคะซึ่งไม่ทราบคุณหมอฟังตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดคะในฐานะที่คุณหมอเองนี่ก็มีแผนการจะเดินทางไปอินเดียในเร็ววันนี้อีกตั้งหาค่ะครับเรื่องนี้จริงๆผมก็ได้ยิน หลายปียนะฮะอาอคุณบอกก็เคยได้ยินเหรอคะครับอุย้ยนึกว่าเราได้ยินอยู่เป็นปีในในสมัยที่เข้าไปเว็บใช้ใ์รานทำเนี่ยนะฮะอ๋อค่ะที่รันทำเขาเคยพูดถึงนะคะครั บ, รบเขาทะเลาะกันเรื่องนี้นถึงระทั่งว่าเขาต้องปิดกระทูเกี่ยวกับเรื่องสพเสียงกันเรื่องเนี้ครับแ ต, แต่ถ้าเรื่องทะเลาะกันนี่ไม่ยกย่องสรรเสริญเหมือนกันเนาะครับถ้าแลกเปลี่ยนมุมมองก็โอเคเป็นสิ่งที่ฟังได้ครับฟังได้แต่เชื่อได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับค่ะฟังได้ฟังไว้ ค่ะนะครับแต่ไในส่วนตัวแล้วก็คือยังไม่มีความเชื่อออกมาทางอย่างหลังนี่ยนะครับเพราะว่าก็มีเหตุผลหลายอย่างแต่บุคคลหนึ่งที่ถ้าเราได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของท่านก็คือจารึกบุญจารึกธรรมของท่านพระพรมคุณาพรซึ่งสมัยนั้นก็คือกระทรรมพิดกเนี่ยค่ะนะครับที่ท่านเดินทางไปแล้วท่านก็คำนวณระยะ เวลาต่างๆนะเขาเรียกว่าตารางเวลาหรือว่าอะไรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับที่เกิดขึ้นในสมัยที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะรวมทั้งระยะทางเวลาตำแหน่งทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมศึกษารู้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากในที่ในพระไตรปิฎกกล่าไว้มากนักอนะ่ะอาจจะต่างเป็นกิโลแต่ว่าไม่ได้ต่างกันในแบบคนลภาคคนละทิศคนละทางค่ะนะครับ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ขุดค้นพบเพิ่มเติมขึ้นมาที่ไม่ใช่สร้างขึ้นใหม่เลยนะเช่นมหาวิทยาลันทาต่างๆนี่ยสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ที่คุณพบขึ้นมาในระยะหลังมาเนี่ยก็สอดคล้องกับตำแหน่งอื่นๆนะครับที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกค่ะก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับนี่เป็นจริงหรือไม่นี่ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ฟัง แต่ว่าอยากจะพูดถึงสังเวชนิยสถานนะครับพี่กีนา่าบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบความหมายบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ที่ไหนบ้างและอาจจะยังจําไม่ได้ค่ะก็อาจจะขออนุญาตทบทวนกันหน่อยทบทวนนิดนึงนะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่ผูษษ้ศึาสนิกชนที่ดีนะต้องจะทราบไว้ค่ะนะครับสังเวชนียสถานเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ตั้งแห่งความสังเวชนะครับ สถานที่ตั้งแห่งค ว, ความสังเวชและครามาสังเวชเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นความสังเวชในความหมายของเราที่เข้าใจกันนะค่ะค <า S 2> สังเวชในที่นี้เนี่ยก็คือว่าเป็นความสลดใจที่เป็นความคิดแล้วกระตุ้นนี้เกิดความรู้สึกนะเตือนความรู้สึกนะเตือนสตินะเตือนสติให้หันมานึกถึงในสิ่งที่ดีงามนะแล้วก็ที่สําคัญคือเกิดความไม่ประมาทค่ะจริงๆแล้วสังเวชเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่ กระตุ้นให้เกิดความเพียนหรือว่าปรารบความไม่ประมาทนะเพียนพยายามที่จะทํากุศลธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าสังเวชที่แปลว่าสลดขดหูนะะก็คือซึ่งเป็นลนักษณะของอกุศลธรรมที่เราไปเห็นว่าโอ้หน้าสังเวชเนาะคนนั้นแล้วใจเราก็เหี่ยวตามไปด้วยอย่างเงี้ยนะคนละมุมกันนะคะอ่ะอันนี้นี่ไม่ใช่ในความหมายสังเวชที่ควรจะเป็นค่ะแต่ว่าเราก็ใช้สังเวชจนผิด<จ>นนะาะทีับสนเหมือนกันได้ว่ า, าใช้ใช้กันผิดแล้นะคะใช้สังเวชยังไง แบบทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีสังเวชณียสถานก็คือสถานที่เป็นที่ตั้งความสังเวชเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสี่ตำบลเรียว่าสี่แห่งนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติที่ตรงนี้ก็คือที่อุทยานลุมพินีค่ะนะครับที่ที่สองก็คือที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็คือที่พุทธคยา นะครับที่ทสามก็คือที่แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิตปตนะมฤคทายวันปัจจุบันนี้ก็เรียกภาษารนาค่ะที่ที่สี่ก็คือที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จตับขันเทวินิพพานสที่สารวนาวณุทายานเมืองกุศินาราค่ะนะครับสถานที่ทั้งสี่นี่เนี่ยพุทธองค์กล่าวไว้ว่ากุลบุตรกุลธิดาเนี่ยนะที่มีศรัทธามีความเรื่อมใสเมื่อได้ไป ะสะถานที่ทั้งสี่นี้แล้วเนี่ยนะเมื่อตัวตายเมื่อกายแตกเมืองนั้นก็คือเมื่อตายแล้วเนี่ยก <c oughs> ็เรียกว่าจะสามารถเป็นคติเป็นสุคตินะ <c oughs> จะมีที่ไปหรือว่าที่เกิดนะฮะในสุคติภูมิสมัยก่อนนี่เราก็มานั่งคิดกันนะครับพี่สีนะว่าเอ๊ะทำไมนอคนที่อยู่ใกล้ๆนะเขาอินเดียเรียว่าอะไรแม้แต่ คนอื่นๆที่เขาไปเที่ยวกันเนี่ยคือไม่ได้เข้าข่ายที่เรียกว่าไปด้วยความเรื่อมใส่เนี่ยก็อย่างนี้แม้แต่ศาสตร์านเนี่ยถ้าตายไปอยู่ใกล้ๆเราตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะไปสุขติด้วยนะเหมือนกับพระองค์ประกันว่าถ้าไปเนี่ยสถานที่ทั้งสี่เนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปสุขติดน ะ, ะแต่มีเงื่อนไขสําคัญอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องของความเรื่อมใส่ศรัทธา ต้องมีตรงนี้ด้วยครับต้องมีตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปเรืยเรื่องความเรื่องสายศรัทธาไปเพราะอยากไปเฉยเฉยหรือว่าถูกบังคับไปหรือว่าไปแบบต้องมันผ่านอะไรอย่างเนี้นะฮะค่ะอันนี้ก็คงไม่ได้หรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเององที่เขาไม่ได้เรื่องสาศรัทธาอะไรอย่างแท้จริงเนะี่ยก็อาจจะไม่ได้ความหมายตรงจุดนี้ไปด้วยที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ได้สอบถามคนที่เคยไปว่านะเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นค่ะนะครับ แต่หลายคนก็บอกว่าเมื่อไปถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นด้วยแรงอุปาทาหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรับรู้ได้ตรงกันคือตรงที่บริเวณนั้นโดยเฉพาะที่พุทธคยาหรือว่าที่สถานที่ทับดับขันทเทเวนิพานเนี่ยจะเป็นที่ที่มีพลังมากเป็นพิเศษนะฮบางคนเนี่ยจะมีปีติมีน้าหูน้ำตาไหลนะครับก็คือจะเกิด ความเพิ่มปิติขึ้นอย่างมากมายมหาชาลซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองว่าจะมากขนาดไหนแต่ฟังมานี่ก็คือว่าจะมีตรงนี้เยอะไม่ทราบพิจิตรีน่นานมีไหมคะเท่าที่ทบทวนตัวเองดูนะคะก็รู้สึกอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆคือที่พุทธคยาซึ่งเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นจุดที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้ใช่ไหมคะครับกับที่ ปาริณิพ า, า, านทยาน้า<ห>พระพุทธองค์เนี่ยดับขันปริณิพานเนี่ยสองจุดนี้มีพลังเยอะจริงๆครับไปแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยเราเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่นั้นแม้นว่าครับเวลาเนี่ยจะผ่านไปสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยเวลาไปอยู่ในสถานที่สองจุดนี้นะคะมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเยอะมากครับ แต่ในขณะที่จุดประทูดหรือว่าจุดแสดงปฐมเทศนาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะครับอันนี้ความสูงตัวเองนะคะครับกสองจุด<น>แรกเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่มีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่ผ่านเราเยอะมากคก็ได้ได้ทราบ ม, มาชัดแน่นเหมือนกันค่ะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นรอยกระทับที่มีน้ําหนักหรือว่ามีความยิ่งใหญ่ใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นมหากรุศุลกิจว่าอย่งนั้น ซึ่งคนเราเนี ill, gary, ่ยเมื่อมีความศรัทธาและมีความเลื Ó, такого, queria, nature, well, были, MD, EN, ่อมใสในคําสอนของผู้เผยศาสนาเนี่ยเมื่อไปถึงซึงที่กันั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งจะเกิดมากขึ้นพิเศษค่ะนั้นความประทับใจอันยิ่งใหญ่อันนี้แหละค่ะผมเข้าใจว่าเป็นความทรงจําเป็นสัญญาเป็นความประทับใจนะชื่อก็บอกว่าเป็นความประทับใจประทับใจค่ะประทับในใจเหมือนฝ่าพระหัตที่ประทับปึ้งเข้าไปกลางหัวใจของเราค่ะใช่ไหม คนเราเมื่อจะตายแน่นอนธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่ต้องการความทุกข์อะไรที่มันเป็นรอยกระทับที่ยิ่งใหญ่แล้วมีน้ําหนักมากที่สุดเนี่ยมันก็จะปรากฏนในขณะที่จิตจะดับค่ะในผมเข้าใจว่านี่คือมูลเหตุที่ว่าทําไมผู้ที่ไปกราบไหว้สังเวยจตุรีฐานทั้งสี่นี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยยิงเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปสู่สุคติภูมินะครับก็คือเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดจากความซื้มปิติอันนั้นนะครับ เป็นเหตุสําคัญเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยจิตเป็นกุศลธรรมนะเมื่อจิตดับในขณะที่เป็นกุศลเนี่ยสุคติก็เป็นอันหวังได้แต่อารมณ์ตรงนั้นก็ไม่เที่ยงนี่คะคุณหมอก็มีโอกาสที่จะแปลเปลี่ยนหรือว่าจ้งคลายลงไปได้ใช่ครับแต่ว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครัะก็อย่างที่บอกว่าโดยธรรมชาติของจิตใจหรือว่าของคนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องการไปสู่ที่ต่ำแค่ไหนไม่ต้องการไปสู่ที่ต่ำเขายังบอกว่าก่อนที่จะตายเนี่ย ให้นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วแช่ไให้นึกถึงคุณ พ, พระพุทธธรรมประสงค์บางคนให้ต้องพุโทโธพุโทโธธรรมโมสังโฆเรืร่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวลังให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ตกไปสู่ที่ตับค่ะดนั้นคนที่เคยไปอินเดียมามีความปลื้มปิติมหาศาลขนาดนั้นในส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นค่ะนี่คือเหตุสนุนสนุนหลายอย่างนะฮะที่จะมีส่วนที่ทําให้ จิตขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถใช้สัญญาคือความจําได้เนี่ยเหนี่ยวลังขึ้นมาได้ครับพิ่ศรีนะค่ะเาเช่นเราเคยทำ <มา S 2> ดีกับใคร ไ, ไว้นะเคยมีความยินดีกับเรื่องราวเหล่าใดหรือว่ามีความพึ่งพิติอะไรไม่ต้องอะไรเรามีพ่อมีแม่หรือว่ามีบุคคลเป็นที่รักเนี่ยแล้วก็มีลูกเนี่ยเพียงแค่เรานึกถึงหน้าเขาเนี่ยเราก็มีความเย็นอกเย็นใจหรือว่ามีความเมตตาเกิดขึ้นได้ นครับหรือว่าแม้แต่ที่เรานึกถึงพระครูบาาจารย์นะครับขาวใดที่เรานึกถึงท่านเนี่ยความเย็นอกเย็นใจก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้นั้นอันนี้ก็คือการใช้สัญญานเนียเหนียวขึ้นมาเหนียวจิตให้เกิดมีเป็นกุศลหรืออกุศลได้ก็คือตัวความคิดนั่นแหละที่เราเคยคิดไว้ที่เลยเราเคาจำได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์จะเป็นอย่างไร เ, เราสามารถทดสอบถือได้ นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะเพะะฉนั้นผมก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งการที่เราได้ไปสถานที่ทั้งสี่นี้เนี่ยเหมือนกับการซื้อประกันภัยชีวิตนะครับพี่ๆนะโอ้ขนาดนั้นเลยนะคะฮะเหมือนกับการซื้อประกันภัยกับชีวิตอันนี้เป็นความคิดจริงๆของตัวเองเลยที่ชวนให้พี่สาวกับพี่เขยไปด้ว ย, น, ยนึกถึงอย่างนี้เลยว่าโอ้เนี่ยพ่อแม่เราก็ไม่มีละ มีที่สาวที่มาอยู่ด้วยเนี่ยจะมีอะไรนอกเป็นหลักประกันให้กับชีวิตของเขาที่เราพอจะช่วยเหลือเขได้ก็มีปัจจัยเงินทองก็พอช่วยเหลือก็าไปแล้วก็เข้าไปในการเดชะการเราก็พิจารณาแล้วว่าเขามีสรัทานในเรื่องเหล่านี้อยู่อันก็คือว่าเหมือนกับการไปซื้อประกันภัยชีวิตเนี่ยประกันนรกไม่ให้ตกนรกประกันไม่ให้ไปสู่ทุกขติประกันให้เข้าไปสุขติพุุ่ ม, มถือว่าคุ้มนะครับพิเศษนาค่าแต่ที่สําคัญคือต้องประกอบด้วย ศรัทธาความเริ่อมใสแล้วถ้ายิ่งเราปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเรายิ่งอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเครื่องมือในการเจริญสติภาวนาของเราได้แนบแน่นยิ่งขึ้นอกุศลอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะละได้ง่ายนะครับข้ามพ้นได้ง่ายสลัดคืนได้ง่ายค่ <Okay. S 2> ะกุศลธรรมใดที่มันยังไม่ได้เกิดก็สามารถที่จะเหนี่ยวนําให้เกิดขึ้นได้ <Okay. S 2> อันนี้ผมผมเห็นประโยชน์หลายอย่างมากนะครับ ทีนี้ประโยชน์อีกอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะมองเมื่อเราไปเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสังเวชนีสั้ทั้งสี่นี้ก็มีเยอะแยะนะคที่มีประโยชน์เช่นมหาวิหนารนันทาค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีนิสิตเนี่เป็นหมื่นมื่นคนแล้วก็บอกอะไรละไหลายอย่างนะ เช่นโดยเพราะตัวเนื้อหาของวิชาที่เรียนนะตามที่เขาศึกษากันไว้ว่าในระยะหลังมาเนี่ยที่เกิดความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นของพุทธศาสนาหรือแม้แต่พูดถึงว่ามันร่มสลายไปจากอินเดียเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากที่มหาวิยาลัยเนียไม่หนักแน่นในหลักธรรมคาสอนในแก<อ>่นสารของพุทธศาสนาอันนี้น่าสนใจนะครับค่ะผมนึกถึงมหาวิทยาลยในปัจจุบันนี้นะพี่ขีนนี่น่นะ ที่สอนหลักหรือว่าวิชาการที่มันไกลตัวออกไปมากขึ้นมากขึ้นมากค่ะนะครับคือมันก็เป็นทางไปสู่ความร่วมสลายในตัวมันเองชัดเจนขึ้นมาเวืยที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดขนาดไหน <c oughs> คือครเราสามารถที่จะศึกษาความร่วมสลายเหล่านี้แล้วก็สามารถนำคติหรือว่านำมาเป็นสติเตือนใจหรือว่าเตือน สิ่งที่เรากําลังดําเนินอยู่ในสังคมของเราได้นะหรือว่าเราอาจจะมองเห็นจากวิถีชีวิตหรือว่าวิถีที่มันเป็นไปในสังคมตะวันตกนี่ก็เป็นทางนึ่งซึ่งเราก็สามารถเรียนรู้ได้แต่ในทัศนะ์ที่เป็นพุทธศาสนกชนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลหลังพุทธกาลก็สามารถเป็นเหมือนตัวอย่างของหนังชีวิตนะคะของสังคมหรือว่าของวิชาความรู้ต่างๆ ที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับสังคมของประเทศชาติของเราในปัจจุบันนี้ได้คว่าเราควรจะเดินแต่นทีที่ทางนั้นนะครับซึ่งก็มีประโยชน์หลายอย่างนะพี่ชิน่าก็ถือว่าการเดินทางไปกราบสังเวชนิยสถานสี่ตำบลการเดินทางไปอินเดียเนี่ยยังไงก็ยังยังศรัทธาที่ดีมากๆนะค ะ, คะให้กับพุทธศาสนาชนของเราแล้วก็ที่มี คนกล่าวว่าไปอินเดียแล้วจะไม่ตกนรกไปกราบสมุทรชนียสถานสีตมุลแล้วจะไม่ตกนรกก็มีความเป็นไปได้ครับนะคะไม่ใช่ว่าพูดเกินจริงครับแต่ความเป็นไปได้ตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่เรา<ช>ต้องมีศรัทธา น, นะค ะ, คะที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ ค, คถ้ากลับมาก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดีนี่แหล ะ, ะมีสิ่ดีทำนี่แหละคไม่ใช่ว่าไป แล้วก็กลับมาทำชั่วต่อนะคคือไม่ใช่สักแต่ว่าไปครับนะคะแต่ต้องไปด้วยศรัทธาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในศรัทธาตรงนั้นด้วยคให้สอดคล้องกับศรัทธาตรงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าศรัทธาชั่วครั้งชั่วคราวรพอกลับมาก็วางศรัทธาซะแต่ถ้ามีศรัทธาคงมั่นในพระพุทธศาสนาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วเราย่อมมีทางอันประเสริฐคือมัสมีองแปดนะคะ ซึ่งทําให้ชีวิตเราเนี่ยเดินไปในทางที่ประเสริฐแล้วก็ไปเป็นเครื่องประกันได้ว่าเราจะพ้นนรกหรือว่าพอบายภูมิใช่ไหมคะคุณหมอต้องมองกันให้ตลอดสายอย่างนี้ไม่ใช่ตีตัวไปอินเดียบินไปแล้วก็บินกลับมาแล้วจะไม่ตกนรกอันนี้นไม่ใช่นะคะถ้าไปเที่ยเวยเฉยๆเนี่ยไม่มีศรัทธาที่มั่นคงตรงทางเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์พร้อมนะคะ แล้วก็ไม่มีใครการันตีให้ด้วยว่าจะไม่ตกนรกนะคะอย่างนั้นมีอยู่อย่างเดียวที่ประกันว่าจะเม็นไปสู่ทุกตินะครับอะไรคะคุณหมอจะเริยนตุติในตระเป็นคะอายะบุคคลเบื้องต้นคือเป็นพระโสดาบันนะครันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าไม่ต้องมีเงินไปอินเดียก็ได้ใช่ไหมคะครับถ้าเพื่อนของเราที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่พร้อมพอที่จะเดินทางไปอินเดียได้เนี่ยนะคะก็อย่าได้เสียใจนะคะ ถึงเราไม่มีโอกาสได้ไปอินเดียแต่ถ้าเรามีศรัทธามั่นคงแล้วก็ปฏิบัติตรงทางครับนะคะเราก็มีโอกาสพ้นนรกพ้นอบายภูมิได้เหมือนกันอาจจะดีกว่าด้วยค่ะเชื่อเริ่สุติให้มากค่ะนะครัะการความเห็นผิดที่เรียกว่าสักกายะทิฏฐิความเบองเลงสงสัยนะครับแล้วก็ความเชื่อผิดผิดลงไปได้เนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นหลักประกันที่พระพุทธเจ้าตักทับรองไว้เลยว่าผู้นั้นเนี่ย พบชาติในสังสารวัตรก็จะมีขิด จ, จำกัดที่แน่นอนแล้วก็จะไม่เปตยูทุกติแน่นอน